บุ๊กสอสิบปะดิเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นินนายีโรจูเรปุเมื่อวานเป็นวันเสาร์นินนะเซนิว่าได้อหมยินดีเมื่อวานดิฉันไปดูหนัง นีนันเนีซีนิมากีเวลานหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจซีนิมาจาละลอาสักทีกระงกาวันดวันนี้เป็นวันอาทิตย์อีร์โอจูอาดิวารมวันนี้ดีฉันไม่ทำงานอีโรโอจเนีนปานิเชดมเลด ดิฉันอยู่บ้านเนนุอินโทรเนี่ยมุนตุนนานุพรุ่งนี้เป็นวันจนันเรีปูโสมวารมพรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีกเรปูเนนุมัลลีปานิเชสตานุดิฉันทำงานที่สำนักงานเนนุออฟฟิศโลปานิเชสตานุ คนนั้นคือใครอ้ายนียยังรูคนนั้นคือปีเตอร์อายนะปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์ว่ก็วิทยาดีคนนั้นคือใครอ้าเมย์รูคนนั้นคือมาธาอ้าเมย์มาธา มาธาเป็นเลขานุาการมาร์ธาวะกะเซกเรติรีปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์มาริโอมาธาสเนฮิตุลูปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปีเตอร์มาร์ดสเนิตุดูมาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ธาปีเตอร์สเนฮิตุราลู